เรื่องของเท้าสักดะพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นจันดาวดึงยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามสริระเขไม่งามหน้าตาก็แปลกปรลา อ ย, อยู่ก็เกิดขึ้นนี่แหลปรากฏที่ชั้นดาบดึงเทาสักเทวราชกำลังพักพอนอยู่แล้วก็ยักตัวหนี้นั่งอยู่บนที่ประทับของเทาสักเทวราชที่อาสนะที่ประทับของเทวสักเทวราชเสร็จปุ๊บพวกเทวราทั้งหลายอยู่ในชั้นดาบดึงได้เห็นเลหนี้พากันมาแล้วก็ กล่าวทอดตำนี้ที่เตียนว่านี่แหละท่านผู้เจริญทั้งหลายนี่แหละดูสิอยากตัวนี้หน้าตาก็แปลกประหลาดผิวเผนก็ไม่งามคล้านั่งอยู่ที่ประฐาภูมิตาสักขะเวลาพูดแบบนี้นะโยมทุกคนก็โกรธโมโหแต่ไม่รู้ตัว แสดงว่าเทวดาก็มันมันปวดเราเนาะโยมบางอย่างโกรธโมโหก็เห็นว่าที่ปะตากรงนี้หัวหน้าเรานี่คอนอื่นนะคนขังนอกมาแบบใช้อะแปลกๆอ่ะไม่พอใจไม่ยินดีตูซ่าเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครรู้ตัวแสดงว่ามีเบญจค า, ามาแค่ไหนก็ตามนะโยมนี่แหละ เมื่อไรจะเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเสร็จปุ๊บโธ่าเกิดขึ้นจิตใจของปูเทวดาอยู่ในชันดาวเด่นหลายท่านนะ่ะเวลามีคนทำอะไรผิดพลาดอ่ะมนุษย์ปกเราก็นี่แหละมาแบบํำนี้ว่าพวกเทวดาวก็ทำกันแบบนี้แหละทำนี้ข่าวทอดนี่แหละ ตีเตียนกันนี่ไงด้วยความโกรธด้วยความโมโ ห, โหเรื่องที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นยิ่งว่ายิ่งตํานี้ยิ่งตีเตียนยักตัวนั้นกลับมาเป็นภูมิแบบรูปร่างสวยงามหน้าดูหน้าชมรูปร่างก็แบบสวยขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรื่อเรื่อยเรื่อยแล้วก็หน้าตาก็กลับมาเป็น น่าเหลื่อมใสถ้าพวกเรานึกถึงชีวิตเรานะโยมเวลาใครมาช่อมเรานี่แหลยยิ้มโมโหน้าตาก็เบิกบานเวลาใครว่าเราอาการนี่แหะเศร้าโศเกิดขึ้นแบบหนาก็แบบมืดมืดชีวิตเราก็เปลี่ยนไปแบบนี้นะโยมแต่ตรงกันข้ามว่าสาริราองเทวดาก็ไม่ใช่ว่าสาริราที่ ยาบเหมือนพวกเราเียกว่ามันสุขุมมาเป็นละเอียดก็เทวดาในชั้นดาวดึงก็ตกใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยากตัวนั้นก็นั่งอยู่ที่พระทับของเท้าสักค่าแต่ตอนนี้รูปร่างช่วยงามมากพวกเทวดาก็รีบๆเข้าไปหา เ้าสักเทวราชถึงตีประทับและก็ได้กราบผุนเรืองที่เกิดขึ้นเท้าสักเทวราชก็เป็นคนทลาดพราสูดาผั่นด้วยไม่ใช่คนธรรมดาแสดงว่ามีมีพัสนาปัญญามีสัทธาวิิยาสติสมาริปัญญามีอินทรีย์ ตำแหน่งคือหัวหน้าจันดาวดึงแต่มีอินทริหาพระการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตประกอบด้วยอริยมรรคมีองแปดจิตเหลือมใสในพระรัตนไตรัยแบบไม่หวั่นไหวเป็นภูมิอริยกันตสีเท่าสักกเทวราชก็ฟังแล้วก็เดา ว, ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบอกว่า ทั้งทั้งหลายยักษ์ตนนั้นคงเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารแน่ๆ แ, แสดงให้ผ่านของยักษ์ตัวนั้นคือความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของผู้อื่นที่เป็นสิ่งที่โวกเราไม่ค่อยแบบลู้เรื่องนะโยมความดำร่ริเกิดขึ้นประกอบด้วยโทสะความโกรธ บางครัง้งเป็นอาหารของสัตว์บางชนิดสัตว์บางชนิด่มัยก็อนนึกถึงว่าท่านฉลาดเนาะรู้ทั้งที่เลยแต่ปัจจุบันนี้เรินงแบบนี้เกิดขึ้นปูกเราก็หนึกไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น